ความโง่ความทฉลิลาตของตัวเองยังได้เตือนเสมอพระเนรดุด่าว่ากล่าวไปเรื่อยๆแม้แต่เวลาแจกอาหารสาคัญที่มาชมุมกันนี่ตอนนี้ได้ดุแล้วเวลาจะดุแล้วไม่ได้บากใครจะอยู่ที่นั่นหรือไม่อยู่ไม่สำคัญเพราะมุ่งที่จะสอนผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเราเราต้องพูด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 เสือกินเ้าแล้วเสือเราเสือก็จะตายเ้วตายในวันนี้เสือตายในวันหน้านี่มันอาจหารนะความอาจหารในวันเลยไม่กลัวแ้ร ท, ทั้งที่เสือก็เป็นสัตว์เป็นอันตรายแต่มันไม่ได้ถือเป็นอันตรายในขนดนะดเพราะทาข้อนี้เหล่านี้แหละเป็นเครื่องปลุกจิตปลุกใจให้เกิดความขล้าหารเดินจงกรมได้อย่างสะดวกสบายแต่จิตไม่ได้ส่งนะต้องจิตเป็นธรรมทั้งนั้น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 ใจแล้วก็บเย็นสบายเพราะความรู้เท่าทีนกันแล้วไม่มีอะไรร้อนนอกจากใจถ้าใจรู้แล้วไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจนี่หลักอยู่ที่ใจที่ใจทั้งนั้นขอให้พิจานณาด้วยความรบอบครอบเถิดจิตต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้านะมีบกพร่องที่ตรงไหนทุกจะแทกเข้ามาตรงนั้นจุดได้ฉะนั้นเราจึงต้องฟิต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 เจ็บนั่นปวดนี้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวเดยวกรหายเจ็บท้องปวดหัวยุ่งกันไปอยู่ตลอดเวลาพราราฮเวปันจักขั้นทานมันหนักด้วยการรับผิดชอบนี้เองม่ใช่หนักเพราอุปท า, านเหมือนแต่ก่อนที่มีกิเลสอยู่แต่มันก็หนักด้วยความรับผิดชอบเพระาะฉะนั้นการเรียนรู้ขันอย่างพอตัว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 ตัวเทวทัศน์ภายในตัวของเรานี่เป็กรรนกําหนิเทวทัศน์โน้นเทวทัศน์ภายในตัวของเรานี่แหละมันมาทําทุกเจ้าเราเทวทัศน์ทน้นมันเลมาทําให้ใครเทวทัศน์ที่อยู่ในเรานี่หละมันทําลายเราอยู่ตลอดปีกันรุเยะ ก, ก่อควรหลอกลวงปิ่นต่อนไม่ทราบว่ากี่เนี่ยกีุ่มวันหนึ่งวันหนึ่งตลบทุกตัวนับไม่ได้ด้วยคนมายาของกิเลสตัวเทวทัศน์นี้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 หมุนเข้ามาที่นี่เึื่อท่านลังขันก็ไกลไปก็เห็นได้ว่าห่างไปแล้วแกเข้ามาที่นี่มันถึงเห็นตัวสําคัญข้างหน้าคือกินเลสภนรยาจิตวาดภ า, า, า, า, าพหลอกเรานน่นเราก็เชื่อวิ่งตามภาพของมันหลอกไปตัวจริงมันอยู่ข้างหลังเรานี่นี่มอนถึงเอากลจกขวางหน้าน้อมองเห็นเงาตัวเองคือปัญญาย้อนกลับมาพิจารณาตัวนี้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 ท่านก็ยกขึ้นเป็นจุมุติตว่าถึงแดนกเกษตเหมือนว่าก้าวไปถึงแ ด, ดนนู้นแดนนี้แดนไหนก็คือจิตดวงนี้เรื่องสิ่งที่เป็นข้าศิจะตนออกหมดโดยสิ้นเชิงเท่านั้นก็เป็นแดนอันกเกษสมขึ้นมาแในตัวเองอันนี้แดนแสดงถึงหมดทานี้